วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบอ็ดมีถุนายนพุทธศักราชสอง8ห้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมเพื่อ ความสุขและความดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจการแสดงธรรมและการปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มีแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันช่วงแรกสามสิบนาทีก็เป็นการฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องราวธรรมะต่างๆ เพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้กับการปฏิบัติให้ถูกต้องให้เกิดผลตามมาช่วงที่สองอีกสามสิบนาทีก็เป็นช่วงนั่งสมาธิจเจริญสติควบคุมใจให้หยุดคิดให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐาน เมอจิตใจจะได้นิ่งได้สงบได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงทมที่เราจะฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องเวลาคนตายไปแล้วจะไปไหนต่อนี่เป็นมักจะเป็นคาถามที่คนอยากจะรู้กัน นวก็ไม่มั่นใจถ้าอยากจะรู้ความจริงก็ต้องฟังจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสรืเรื่องราวเหล่านี้คือเวลาคนตายนี้จะมีชีวิตของคนเหล่านี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันเวลาตายร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนประกอบอันที่หนึ่งก็จะกลับคืนสู่ธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุาดมธาตุไฟส่วนที่สองของชีวิตก็คือใจที่ไม่ได้ตายแต่กับร่างกายใจนี้นะ่ะจะเป็นผู้ที่จะไปสวรรค์หรือไปอบายหรือหรือไปเกิดต่อ หรือไปนิพพานนี่คือเหตุที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วชีวิตของเรามีสองส่วนด้วยกันร่างกายกับใจร่างกายตายร่างกายก็กลับคืนสู่ธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟธาตุแรกที่จะไปก็คือธาตุลม พอคนตายปับ๊บร่างกายตายปับ๊บลมก็หยุดเข้าหยุดลมหายใจเข้าออกลมที่เหลืออยู่ในร่างกายก็จะค่อยๆระเหยออกมาตามทวานต่างๆแล้วธาตุที่สองที่ตามไปก็คือธาตุไฟร่างกายของคนตายนี้จะไม่มีความร้อนเหมือนกับร่างกายของคนที่มีชีวิตอยู่เพราะว่า ธาตุไฟในร่างกายของคนตายนั้นได้ออกจากร่างกายไปแล้วธาตุที่สามที่จะแยกออกจากร่างกายไปก็คือธาตุน้ำที่จะระเหยออกมาตามทวานต่างๆจนปล่อยให้ร่างกายแห้งกรอบที่จะผุพังกลายเป็นธาตุดินไปนี่คือ ส่วนของร่างกายร่างกายไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปเกิดใหม่ผู้ที่จะไปเกิดใหม่ผู้ที่จะไปสวรรค์ผู้ที่จะไปนรกนี่คือใจที่ไม่มีวันตายที่ยังต้องรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้อยู่สราบใดถ้ายังไม่ได้ไปถึงพระนิพพาน บานั้นใจก็ยังจะต้องมีการไปรับผลบุญรับผลบาปแล้วหลังจากที่ได้รับผลบุญรับผลบาปเสร็จแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ต่อไปเรื่อยๆที่เราเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่เอง<ม>ก็คือการไป เกิดในสวรรค์บ้างเกิดในอบายในนรกบ้างเมื่อแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเพื่อมาทำบุญทำบาปต่อมาหาความสุขจากการมีร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากลูปเสียงกลิ่นรสผลพภาชนิดต่างๆและในเวลาที่แสวงหาความสุขต่างๆ ก็ จ, จะมีโอกาสที่ไปทํำบาปได้เช่นเวลาอยากจะได้อะไรแล้วไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อเองบางครั้งก็อาจจะไปขโมยเงินทองของผู้อื่นเพื่อจะนํามาไปซื้อของที่ตนเองอยากได้เป็นต้นแล้วบางครั้งก็อาจจะมีทรัพสมบัติเงินทองมากมายกินไม่หมดใช้ไม่หมด ก็เอามาทำบุญทาทานเอามาแจากคนนั้นแจกคนนี้เอามาทําน้บำรุงองค์กรการกุศลต่างๆเช่นวัดวาอารามโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นต้น<ม>ก็เป็นการทำบุญ<ม>นี่แหละคือเรื่องของชีวิตของพวกเราทุกคนพวกเราเวียนว่ายตายเกิดกัน พวกเราก็คือคือใจที่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตามความอยากของใจสาเหตุที่ใจต้องมามีร่างกายมาเกิดเพราะว่าใจมีความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยากจะหาความสุขจากการมีลาบยศสรรเสริญ มีรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้พาชนิดต่างๆก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะว่าถ้าไม่มีร่างกายใจก็ไม่สามารถมองเห็นรูปไม่สามารถได้ยินเสียงไม่สามารถลิ้มรสลมกลิ่นและสัมผัสสิ่งต่างๆได้ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตา เป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนไม่มีอวัยวะ <c oughs> ไม่มีอาการสามสิบสองเหมือนร่างกายเลยจำเป็นที่จะต้องมาพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากราบยศเสริญจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสถทธพะชนิดต่างๆ <c oughs> แต่ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนถาวรร่างกายเป็นของชั่วคราว กิดมาแล้วก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนถึงขีดสูงสุดหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่วัยชราเข้าสู่ความแก่แล้วก็เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหน้าในที่สุดก็เข้าสู่ความตายไปชีวิตของพวกเรานี้เรามองเห็นส่วนเดียวคือเรามองเห็นร่างกาย เรามองไม่เห็นใจเราเลยไม่รู้ว่าใจนี้เป็นอย่างไรเราก็ไปคิดว่าใจเป็นสมองเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ความจริงนี้สมองคิดไม่ได้ผู้ที่คิดนี่คือใจใจสั่งให้สมองไปสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวอีกทีหนึง่งเช่นเช่นถ้าใจอยากจะลุกขึ้นมาใจก็สั่งไปที่สมอง แล้วสมองก็สั่งไปที่กล้ามเนื้อต่างๆให้ขยับร่างกายนี้ให้ลุกขึ้นมาให้ยืนให้เดินไปไหนมาไหนสมองนี้เป็นส่วนประกอบของร่างกาย<ม>ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสมองนี้ไม่มีความสามารถที่จะคิดเองได้<ม>ต้องรอให้ใจเป็นผู้สั่งให้คิดก่อน คิดแล้วสมองก็สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวตามที่ใจต้องการใจต้องการให้เดินสมองก็สั่งให้ร่างกายเดินใจต้องการให้ดื่มให้รับประทานอะไรสมองก็สั่งให้ร่างกายดื่มสั่งให้ร่างกายรับประทานนั้นสมองนี้ไม่ใช่ใจใจนี้เป็นธาตุรู้ไม่ใช่ธาตุสี ดื่น้ำโหมไฟแต่เป็นธาตุที่ห้าที่เราเรียกว่าธาตุรู้ที่มีความสามารถที่จะคิดที่จะมีความรู้สึกแล้วก็มีความจำได้หมายรู้แล้วก็มีความสามารถที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้วกายร่างกายเป็นทูปเหมือนกล้องถ่ายรูปตานีเป็นเหมือนกล้อง ที่ถ่ายภาพแล้วส่งไปให้ใจผ่านทางกระแสการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณแล้วพอใจได้เห็นรูปก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเห็นรูปที่ชอบก็เกิดความสุข <c oughs> เห็นรูปที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์พอเห็นพอเห็นรูปที่ชอบก็เกิดความอยากได้ใจก็จะสั่งให้ร่างกายผ่านทางสมอง ให้ไปเอารูปที่ชอบมาเป็นสมบัติไว้ครอบครองแ้่เห็นรูปที่ไม่ชอบก็สั่งให้สมองเดินหนีไปอยากเข้าใกล้รูปนั้นนต่นี่คือการทำงานร่วมกันระหว่างร่างกายกับใจและการทำงานนี้บางโอกาสก็อาจจะมีการกระทาที่เรียกว่าทำบาปบ้าง เวลาใจอยากได้อะไรมากๆถ้าไม่สามารถที่จะหามาโดยที่ไม่ไ ม, ไม่ทำบาปได้ก็จะไปทำบาปเช่นอาจจะไปพูดปลดโกหกหลอกลวงอยากได้เงินได้ทองไม่สามารถทำมาหากินไม่มีงานทำหรือมีรายได้น้อยไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายที่ต้องการจะใช้<ม>ก็เลยหาวิธี หาเงินเพิ่มเติมด้วยการวิวชาด้วยวิธีหลอกลวงโกหกหลอกลวงแล้วก็เพื่อที่จะได้เอาเงินมาหรือไม่เช่นั้นก็ไปลักไปขโมยบางครั้งก็อาจจะไปถึงกับการไปปล้นไปจี้แล้วถ้ามีการต่อสู้กันก็ จ, จะมีการฆ่าฆ่าฟันกันตายต่อไปนี่คือ การกระทำบาปของใจในขณะที่มีตัณหามีความอยากได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุดจริตหรือวิธีไม่ทำบาปก็มักที่จะไปทำบาปแล้วก็ไปหลงคิดว่าทำบาปแล้วถ้าไม่มีใครรู้ก็จะไม่มีผลตามมาหรือถ้าทำแล้ว ถ้าหลบหนีเจ้าหน้าที่ได้ก็ไม่ต้องไปรับผลของการทำบาปเช่นไม่ต้องไปติดคุกติดตารางแต่การที่ไปรับผลทางร่างกายไปถูกลงโทษถูกจับติดคุกติดตารางนี้มันไม่ได้เป็นการรับผลผลที่แท้จริงผู้ที่ทำบาปนี้ ผู้ที่ยะับผลที่แท้จริงก็คือใจไม่ใช่ร่างกายเวลาทำบาปแล้วใจก็จะเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาและเวลาที่ตายไปความทุกข์ความไม่สบายใจที่เกิดจากการทาบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะดึงให้ใจไปเกิดนอบายไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาญบ้าง ไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่กับสาเหตุของการทำบาปถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยการอาฆาตพยาบาท ก็จะต้องไป <c oughs> ตกนรกอันนี้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ผลทางร่างกายอาจจะมีทางหลีกเลี่ยงได้เช่นทำบาปแล้วทำผิดกฎหมายแล้วอาจจะหลบห น, บนีเจ้าหน้าที่ได้หรือถ้าถูกจับก็อาจจะใช้อิทธิพลอย่างใดอย่างหนึ่งอิทธิพลทางการเงินบ้างทางการเมืองบ้าง ก็สามารถที่จะทำให้ไม่ต้องไปรับโทษก็ได้ mm hmm. แต่โทษที่แท้จริงที่เกิดจากการทำบาปนั้นก็คือเวลาร่างกายตายไป mm hmm. ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้จะต้องไปรับผลทันที mm hmm. ถ้าทำบาปด้วยความ <c oughs> หลงด้วยความไม่รู้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นิราชา mm hmm. ถ้าทำบาปด้วยความ แล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว <c oughs> ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปเกิดในนรกถูกไฟนรกของความของความอาฆาตพยาบาทไฟแห่งการพยาบาทนี้ก็จะมาเผาผลาญจิตใจ จนกว่าบาปที่จะได้ทำไว้นั้นหมดกำลังลงแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจไม่ได้ทำบาปทำแต่บุญทำแต่ความดีช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหลือคนนี้ทำให้คนอื่นเขามีความสุขเป็นทำบุญทำทานให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทอง ให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็ดีให้กับคนที่เขาเดือดร้อนก็ดีให้กับคนที่เขามีพระคุณกับเราก็ดี<ม>การให้นี้คือการทำบุญทำทานทำแล้วก็จะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาในใจอันนี้คือผลที่เกิดโดยตรงจากการทำบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจส่วนผลที่จะเกิดทางร่างกายนี้มันก็ไม่แน่นอน ทำดีแล้วอาจจะไม่ได้ดิบได้ดีก็ได้อาจจะไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเยือนยออาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้เลื่อนเงินเดือนไม่ได้รับรางวัลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นผลพลอยได้ไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ <S <S แต่ผลที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือผลทางจิตใจเวลาทาบุญแต่ละครั้งใจก็จะมีความสุขใจอิ่มใจ แล้วความสุขใจอิ่ใจนี้ก็จะสะสมไว้ในใจไปเรื่อยๆพอร่างกายตายไปบุญนี้ที่ได้สะสมไว้ในใจก็จะพาให้ใจไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆ mm hmm. มีอยู่หกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับการทําบุญทํามากทําน้อย mm hmm. ทําบุญน้อยก็ได้ชั้นต่ําทําบุญมากก็จะได้ชั้นสูง mm hmm. ความสูงต่ําก็คือความสุขนั่นเอง บุญสวรรค์แต่ละชั้นนี้มีความสุขมากน้อยต่างกันสวรรค์ชั้นต่ำก็มีความสุขน้อยกว่าสวรรค์ชั้นสูง<ม>เปรียบเทียบเหมือนกับโรงแรมที่เขามีแบ่งไว้เป็นห้าดาวหกดาวโรงแรมที่มีดาวน้อยก็มีบริการให้ความสุขได้น้อยกว่าโรงแรมที่มีดาวมากกว่า<ม>เพราะว่าผู้ที่ไปใช้บริการก็ต้องใช้ใช้เงินมากกว่ากันนั่นเอง ใช้เงินน้อยก็ได้บริการจากโรงแรมดาวเดียวถ้าใช้เงินมากก็ได้บริการจากโรงแรมห้าดาวความสุขที่ได้รับจากการบริการของโรงแรมก็จะต่างกันไปทันในบุญที่เราทำกันไว้ <c oughs> <c oughs> ก็เรามีทำมากทำน้อยต่างกันถ้าเราทำน้อยเราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่ำมีความสุขน้อยถ้าเราทำบุญมาก เราก็จะไปสวรรค์ชั้นสูงมีบุญมีความสุขมากกว่าล้วหลังจากที่ผลของบุญนี้หมดลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็จะมาทำบุญทำบาปมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพุธภากันใหม่จนไปจนถึงจะแก่จะเจ็บแล้วก็จะตายไปพอร่างกายตายไป ใจ ก, ก็ไปรับผลบุญผลบาปต่ออีกก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะสอนให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ที่จะสอนให้เรานี้ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อย ดยการให้เรามาปฏิบัติธรรมให้เรามารักษาศีลของนักบวชกันคือศีลแปดขึ้นไปให้เราระ ง, งับความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆเพราะว่าถ้าเรายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชอยู่เราก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเราจะต้องมีร่างกาย แล้วก็มาหารูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดในโลกนี้ต่อไปเราก็ต้องตัดความอยากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว mm. ิธีเยกตัดก็มีมีแบ่งเป็นสามขั้นด้วยกันขั้นแรกก็ให้ตัดด้วยการรักษาศินแปดการรักษาสินแปดนี้เราก็จะห้ามใจไม่ให้ไปหาความสุขจาก การเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเ mm hmm. ช่นศีลข้อสามของศีลแปดก็จะเป็นอบ ร, รมัจจริยา mm hmm. ก็คือจะระงับการหาความสุขจากการร่วมเพศกัน mm hmm. ไม่ให้หาความสุขแบบนี้ mm hmm. ให้เอาเวลามาหาความสุขอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการทำใจให้สงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ mm hmm. ต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขสลับกัน เคยหาความสุขจากการนวมเพศพอมาถือศีลแปดก็เปลี่ยนมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิกันแล้วก็ให้ลดการกินอาหารให้น้อยลง <c oughs> กินพออยู่เพราะถ้ากินอาหารมากมันจะง่วงนอนมันจะขี้เกียจแล้วมันจะไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะทําทให้ติดติดกับรสชาติของอาหารติดกับการรับประทานก็ยังเป็นเรื่องของการมาสุขอยู่ เราต้องตัดเรื่องการมาสุขที่เกิดจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยารับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้อดอยากขาดแคลนไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับการกินยากิกนพอประมาณไม่ให้หาความสุขจากการกินการดื่มต่างๆเช่นให้ไม่ให้กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรือถ้ามากกว่านั้นก็ให้กินมื้อเดียว กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไม่ได้หาความสุขจากการกินจะมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบศิ <c oughs> ่งข้อเจ็ดก็คือไมห่หาความสุขจากการดูมหรสพบันเทิงต่างๆฟังเพลงดูหนังฟังเพลงร้องนาทําเพลงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพรที่สวยสดงดงามเป็นต้นอันนี้เป็นการมาสุขเป็นความสุขที่ที่ต้องเสพด้วยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เสียงกลิ่นรสของภาพยนตร์ของมโหรสศพ ข, ของลิเกของของเสียงเพลงแล้วก็ความสวยงามของเสื้อผ้ า, าพรการเสริมด้วยเครื่องสําอางต่างๆของร่างกายอันนี้เป็นการมาสุขถ้ายังติดความสุขแบบนี้อยู่ก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องละเว้นการหาความสุขแบบนี้แล้วก็ข้อที่แปดก็คือการไม่นอนมากเกินไปเพราะว่าการนอนมากก็เป็นความติดติดในการมาสุขเหมือนกันเวลาร่างกายได้นอนมากเกินที่ต้องการนี้มันเป็นความอยากของใจปกติร่างกายนี้คืนหนึ่งถ้าต้องต้องการพักผ่อนประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็พอ แต่ถ้านอนบนเตียงสำรานอนบนเตียงที่มีมีฟูกหนาๆนอนหลับแล้วสบายเวลาร่างกายนอนได้สี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วใจนี้ยังติดการมมสุขอยู่ยังติดกับความสุขที่เกิดจากการนอนอยู่ก็อยากจะนอนต่อก็จะไม่ลุกขึ้นมาก็าจะนอนอีกสามสี่ชั่วโมง ทำให้เสียเวลาของการที่จะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปถ้าไม่อยากจะนอนมากสิงขออกแก็แนะนำให้นอนบนพื้นหนาๆพื้นแข็งแข็งปู ด, ด้วยผ้าปู ด, ด้วยเสือ่อจะเป็นเตียงที่มีพื้นแข็งก็ได้คือไม่มีฟูกเอาฟูกออกแล้วก็มีแต่พื้นไม้ของเตียงหรือไม่เช่นนั้นก็นอนกับพื้นพื้นไปเลยปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อเพื่อการความหนาวเย็น ก็พอถ้านอนแบบนี้เวลาร่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบายก็จะได้รีบลุกขึ้นมามาหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งหาความสุขจากการนั่งสมาธิหาความสุขจากการทําใจให้สงบนี่เป็นวิธีแรกของการที่จะตัดการมตัญหาความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆ ผู้ปฏิบัติจําเป็นที่จะต้องถือศีลแปดห้ามใจไม่ให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดกันอันนี้ก็เป็นขั้นที่หนึ่งของการตัดแต่ยังไม่ได้ตัดแบบราบคาบเพียงแต่ห้ามไวก้กานไว้แต่ความอยากมันก็ยังมีอยู่เถึงแต่ว่ามันไม่สามารถทําได้เวลาที่เราถือศีลแปดกันก็จะทําทให้ความอยากนี้อ่อนกําลังลงได้แล้วขั้นที่สองที่จะทําทให้ ความอยากนี้หยุดไปเลยก็คือการมานั่งสมาธินี่เองการควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเช่นคมบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกนี้เพื่อสกัดกั้นความคิดต่างๆม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับลมอยู่กับพุทโธอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้แล้วแต่จะพอใจ ใจก็สามารถหยุดคิดได้แล้วนิ่งแล้วก็จะเกิดความสงบขึ้นมาพอจิตนิ่งจิตสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพการมาคุณทั้งห้าอพอได้สมาธิแล้วก็จะทำให้มีความสามารถมีกาลังที่จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้เมื่อก่อนเคยหาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงจากการกินการดื่ม จากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจากการเห็สวยความงามของร่างกายก็จะมาเปลี่ยนเป็นวิธีหาความสูขจากการนั่งสมาธิกันนี่ก็เป็นวิธีที่จะทําให้เลิกเส็บการมารตัญหาได้แบบชั่วคราวแบบเพราะว่าเวลาใจสงบนี้ใจการมารตัญหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหยุดทํางานชั่วคราว แต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเริ่มไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากที่อยากจะเสพที่เคยมีอยู่มันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เพราะว่าสมาธินี้ไม่ได้ไปทำลายให้มันหมดไปเพียงแต่ไปกดมันเอาไว้พอออกจากสมาธิมาสมาธิที่เคยกดความอยากก็หายไปความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่นี้ขั้นต่อไปที่จะทำให้ความอยากนี้ หาใหไปอย่างสิ้นเชิงก็คือต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนใจให้รู้ว่าการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะทําให้ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมืองนั้นเวลาที่เกิดความอยากจะไปเสรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่กล้าอยาก ก็จะหยุดความอยากได้ถ <región> ้ารู้ผลของการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรดว่าจะนำให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่าต่อไปนี้อย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดถ้าอยากจะมีความสุขก็ทำใจให้นิ่งๆเฉยๆหยุดความอยากดีกว่าอย่าไปทําตามความอยากดีกว่าพอใจรู้ด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่ทาตามความอยาก ต่อไปความอยากที่เคยมีอยู่ในใจเวลาโผลขึ้นมาแต่ละครั้งก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจให้เลิกทาตามความอยากได้ด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าการทําตามความอยากจะนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆจะนําไปสู่การพบกับพบกับความทุกข์ต่างๆอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็อย่าไปทําตามความอยาก ให้อยู่เฉยๆมือขณะที่อยู่ในสมาธิท่านั้นเองโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเังแต่ทำใจให้เฉยๆให้เป็นอุเบกขาไม่ต้องทำตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากความอยากที่เคยผลักดันให้ใจไปทำสิ่งต่างๆมันก็จะหมดกำลังไปเองพอหมดกำลังแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความผิวโหยสร้างความต้องการสร้างความวุ่นวายให้กับใจใจก็จะนิ่งจะเฉยจะสงบไปตลอด แบบที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเลย <Okay. S 1> ถ้ามีปัญญาสอนใจให้เลิกไม่ให้ทำตามความอยากได้แล้วมีกำลังของสมาธิคอยสนับส น, นุนให้อยู่เฉยเฉยไม่ให้ไปทำตามความอยากได้เช่นอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปอยู่บ้านเฉยเฉยไปอยู่บ้านเฉยเฉยไปเรื่อยๆต่อไปความอยากที่จะไปเที่ยวมันก็จะหมดกำลังไปเองอยากดูหนังฟังเพลงเราไม่ทาตามมันเดี๋ยวสักพักหนึ่งความอยากเหล่านี้มันก็จะหมดไปเอง ถ้าตราบใดเราไม่ทำตามมันแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังแต่ถ้าเรายังไปทำตามความอยากอยู่มันก็จะกลับมาชวนเราไปทำอยู่เรื่อยๆทำวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาชวนเราใหม่แต่ถ้ามันมาชวนเราวันนี้ให้ไปทำเราไม่ไปทำวันพรุ่งนี้มันมาชวนอีกเราไม่ไปอีกเดี๋ยวอีกสักสองสามครั้งมันก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปเพราะรู้ว่าไม่สามารถชวนเราไปทาตามความอยากได้อีกต่อไป พอไม่มีความอยากหลงเหนืออยู่ใจใจก็จะไม่มีตัวที่จะมาดึงใจให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมามีร่างกายอีกต่อไปนี่คือวิธีการของการกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องยุติการหาความสุขตัดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสคือการมตัญหา ถ้าเรายัางยังปฏิบัติไม่ได้อย่างน้อยถ้าเรายัางตายไปแล้วเราเร า, เราอยากไปอยู่ในสวรรค์แล้วก็มันทำบุญรักษาศีลห้าไปก่อนรักษาศีลห้าอย่าทำบาปเพราะการทำบาปจะทำให้เราไปเกิดในอบายถ้าเราไม่ต้องการไปเกิดในอบายเราก็ไม่ไม่ทำบาปด้วยการรักษาศีลห้าแล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ก็ใหเราทาบุญอยู่เรื่อยๆทาบุญทาทาน บริจากเข้าของเงินทองทรัพย์สินต่างๆที่เรามีมากกว่าที่เราจําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ใช้เองเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่ได้เอาไปเอาทรัพย์สินเหล่านี้มาแปลงเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปเพื่อที่พบหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะได้ไปสู่สุคติถ้าเรายังไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้ไม่สามารถตัดความอยา ก, กต่างๆได้อย่างน้อยเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติไปเรื่อยๆก่อน คนกะเราจะมีกําลังที่จะมารักษาศีลแปดมาปฏิบัติทำ ม, มาเจริญสตินั่งสมาธิมาเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าปัญญาว่าความอยากจะนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนําไปสู่ของทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้าเราเห็นแล้วเราก็จะไม่กล้าทาตามความอยากอีกต่อไปนี่คือเรื่องของความตายที่จะตาม ที่อะไรที่จะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วร่างกายก็ไปสู่ดินน้ำนมไฟส่วนใจนี้ผู้ผู้ใช้ใช้ร่างกายให้ทําอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจจะอยู่ต่อไปใจจะไปสวรรค์หรือไปนรกไปอาบายหรือไปนิพพานก็อยู่ที่การปฏิบัติของใจในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าไม่ทําบาปก็ตายไปก็ไม่ไปอบาย ถ้าทำบุญด้วยไม่ทำบาปด้วยก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าถ้ารักษาศีลแปดรักษาเป็นรักษาศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อยี่เจ็ดได้และปฏิบัติสมาธิได้เจริญปัญญาได้เห็นทุกในการในที่จะตามมาถ้าเราไปทำตามความอยากก็ตัดความอยากให้หมดสิ่นไปยากใจได้ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปใจก็จะไปอยู่ในนิพพาน นี่คือเรื่องราวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่ร่างกายของพวกเราตายไปแล้วก็อยู่ที่พวกเราว่าเราอยากไปที่ไหนต่อไปเราเลือกได้เพราะเรามีคนสอนมีคนบอกเราแล้ววิธีของการที่เราจะไปต่อไปถ้าไปอบายไม่อยากไปอบายก็อย่าทำบาปอยากอยากไปสวรรค์ก็ทำบุญเพิ่มทำบุญกับการไม่ทำบาปถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้อง ไปบวชไปอยู่แบบนักบวชตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายทําใจให้สงบเป็นสมาธิสอนใจให้ให้ฉลาดให้เห็นว่าความอยากเป็นตัวที่จะพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเราจะสามารถตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องของการแสดงธรรมสาหรับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีก็ต่อไปนี้เราก็จะมา นั่งสมาธิกันปฏิบัติธรรมกันเพื่อหยุดความอยากชั่วข่าวหยุดความอยากเสพ ร, รูปเสียงจิตลดปวดทพาต่างๆทำใจให้นิ่งให้สงบ <c oughs> ให้เกิดความสุขขึ้นมาถ้าเราสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้บ่อยๆต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีอะไรสามารถอยู่คนเดียวแบบนักบวชได้ มีความสุขจากการทําใจให้นิ่งให้สงบจากการนั่งสมาธิได้วิธีที่จะนั่งให้นั่งสมาธิทําใจให้สงบนี้ mm hmm. ก็ต้องมีสติคอยกํากับใจคอยควบคุมใจให้ผูกใจไว้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเช่น mm hmm. พุโทโธพุโทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่าง mm hmm. หรือผูกไว้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเวลานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวใจจะคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ ก็คิดแล้วมันก็จะดิ้นดิ้นแล้วมันก็จะทุกข์ทรมานใจเพราะว่าดิ้นแล้วมันไม่สามารถไปทำตามที่มันอยากได้เพราะยังต้องนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวนั่งได้ไม่นานก็ต้องเลิกนั่งไปเพราะต้องลุกออกไปตามตามความอยากของใจงั<ม>้นถ้าถ้าอยากจะให้ใจไม่ไม่ไม่มีความอยากในช่วงนั่งสมาธิก็ต้องมีอะไรผูกใจไว้ผูกไว้กับลมก็ได้ดูลมที่ปลายจมูกหายใจเข้า หายใจออกก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไม่ต้องบังคับการหายใจปล่อยให้ร่างกายหายใจไปตามธรรมชาติของเขาเราเพียงแต่มีหน้าที่เอาสติคอยผูกใจให้อยู่กับดูการดูลมเท่านั้นก็พอไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้หายใจเรหายใจยาวลมจะยาวจะสั้นก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันให้รู้เฉยๆเพื่ อ, เ พ, อเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเอง ถ้าเราดูลมเราก็จะลืมเรื่องราวต่างๆก็จะไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจเราก็จะนิ่งจะสงบได้ถ้าเราดูลมไม่ได้เราจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแทนก็ได้หรือถ้าพุทโธไม่ได้จะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ให้มีอะไรให้ทำในขณะที่นั่งสมาธิแล้วใจถึงจะนิ่งใจจะสงบได้เวลานั่งแล้วมีอะไรปรากฏขึ้นมาหรือเข้ามาลบควณใจก็อย่าไปสนใจ เวลามีเสียงเกิดขึ้นมาเวลามีแสงเกิดขึ้นมามีภาพเกิดขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้ให้กลับมาอยู่กับกรรมฐานที่เราใช้กากับใจถ้าดูลมก็กลับมาดูลมถ้าอยู่กับพุทโธก็ให้กลับมาอยู่กับพุทโธถ้าสวดมนต์ก็ให้อยู่กับสวดมนต์ไปหรือเราจะใช้กรรมฐานแบบอื่นก็ได้กรรมฐานมีหลากหลายชนิดด้วยกันแล้วแต่เราจะพอใจเราเคยใช้แบบไหนมาแล้วได้ผลดีเราจะใช้แบบนั้นก็ได้ บางท่านอาจจะใช้ยุบหนอพองหนอก็ได้บางท่านอาจจะใช้สัมมาอาหังก็ได้บางท่านก็ให้กําหนดให้เห็นรูปรูปของพระพุทธรูปก็ได้แล้วแต่วิธีของแต่ละคนข้อสำคัญก็คือให้มีระยุดเหนียวจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อให้จิตใจนิ่งสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลา ตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกนั่งทุกครั้งให้สารวจดูสังเกตดูว่าเวลานั่งแล้วมีผลอย่างไรถ้ามีความสงบก็ให้สังเกตดูวิธีนั่งของเราว่านั่งอย่างไรแล้วทำให้สงบคราวต่อไปเวลานั่งเราก็เอาวิธีนี้มาทำต่อได้เลยอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบ เพราะความอยากจะไม่ทำให้เกิดความสงบขึ้นมาความสงบเกิดจากการนั่งที่ถูกวิธีที่มีสติจดจ่อต่อเนื่องอยู่ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวะริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขาลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติ เดียดี่ตังปะิีังตุมหังคิปเมวะสามิชโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยเวห์วัจจันตุสัพพโรโขเวนัสตุ มาเตภวะตวันตระยสุขิคายยโกผวะอภิวาธนาสิลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามต่อบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามในช่วงนี้ได้เลยถ้าเพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดถ้าจะมาถามตอนที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เคลียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ303ท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติ339 YouTube Dr. V 39วิทีวออนไลน์11 Clubhouse 3น่ากุติ171รวมทั้งหมด866ท่านค่ะคําถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ควบคุมจิตไม่ได้เวลานอนนอนไม่หลับนั่งสมาธิสามารถช่วยให้ควบคุมจิตได้ไหมครับหรือว่าเวลานอนก็บริกรรมพุทโธไปจนหลับเองครับก็สติเนะี่ยนั่งสมาธิก็ต้องใช้สติการบริกรรมพุทโธก็เป็นการเจริญสติงนั้นควนรเจริญสติบ่อยๆมากๆในระหว่างวันนี้เราสามารถเจริญสติได้อยู่เรื่อยๆพยายามพุทโธพุทโธไปบ่อยๆ แล้วเวลาที่เราต้องการจะควบคุมจิตใจถ้าเรามีสติมากเราก็จะควบคุมได้ง่ายคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเวลาว่างฟังธรรมะนั่งสมาธิที่บ้านสิบปีแล้วอยากถามว่าการเข้าถึงโซดาโซดาบันโซดาปฏิมากโซดาปฏิผลต้องรู้เฉพาะตนเองหรือว่ามีครูบาอาจารย์รับรองครับ เออมันกินข้าวนะเวลาเรากินอิ่มแล้วต้องมีใครมารับรองว่าเราอิ่มหรือไม่มันมันรู้อยู่ในตัวของเราเองเวลาที่เราผ่านสักกายทิฏฐิไม่ได้แล้วเราก็จะรู้ไม่ต้องไปถามใครคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเราไม่มีตัวตนแล้วทำไมเราเป็นคนเดียวที่สามารถขยับร่างกายตัวเองได้ครับ คือผู้ที่ขยับร่างกายได้ก็คือใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆผ่านทางสมองสมองเพียงแต่รับคำสั่งแล้วก็ทำให้ร่างกายขยับเยื่อนต่อไปได้ดังผู้ที่สั่งก็คือใจการที่จะมีตัวตนหรือไม่ไม่สาคัญเพราะว่าคำสั่งนี้ไม่เล็กขึ้นอยู่ว่าจะต้องมีตัวตนหรือไม่คำสั่งนี้เป็นความคิดความคิดนี้ก็เป็นทำ ไป่ดนนิจจังทุกขงังอนัตตาไม่มีตัวตนแต่ความคิดนี้สามารถสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมาเดินยืนเดินนั่งนอนได้แ็่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวตนแต่อย่างใดมันอยู่ทุกตัวความคิดถ้ามีความคิดความคิดก็จะสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆคำถามจากทางเฟซบุกค่ะ ถ้าเราต้องอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยมีอาการเจ็บปวดร่างกายประจำที่ทําให้อดกังวลหรือท้อแท้ไม่ได้เราควรใช้ปัญญาสอนใจอย่างไรดีช่วยให้จิตใจใครทุกข์ใครกังวลและเบิกบานได้ถึงแม้มันจะยังไม่สามารถวางอุเบกขาได้โชียวคะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงของร่างกายว่ามันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ร่างกายก็ถือว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศก็มีการแปรปลี่นบางวันฝนก็ตกบางวันแดดก็ออกถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยให้ฝนตกไปแดดออกไปใจเราก็จะไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้น mm hmm. เป็นอย่างนี้ mm hmm. มันก็จะทําให้ใจเราทุกข์ได้เห็น mm hmm. ตอนนี้เรามีโรคภัยแค่เจ็บอย่างไรเราอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างเป็นอย่างนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอยู่กับมันไป ใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเหมือนกับเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยคําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะวิธีคลายออกจากความรักการชอบคนที่เราพอใจทําอย่างไรเจ้าคะพิจารณความไม่เที่ยงของคนที่เราชอบคนที่เราลัง่งวันหนึ่งเขาก็จะต้องแก่เจ็บตายวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากเราไป เรารู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปแล้วจะทําให้เราเศร้าเราก็อย่าไปชอบเขาเสียแล้วเราก็จะไม่ไม่ไม่ทุกข์กับเขาเวลาที่เขาจากเราไปคําถามจากทาง facebook ค่ะเวลาคนเราใกล้ดับชีวิตจิตสุดท้ายควรตั้งจิต ท, ที่ไหนคะตั้งที่สตินี่ต้จิตสงบหรือตั้งที่ปัญญาที่จะปล่อยวางร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา<ม>เป็นดินน้ําลมไฟ วันนั้นุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุ n ผู้ e s คุณผู้ชม e ุณผู้ก็อยณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคไณ้ชมคาณผู้ชมคุณผู้ชมคุณนู้ชมู้ชมคุณผู้ชมู้ชมคุณผู้มคุณ้ชมคุณผู้ชมชมคุณ้ณผู้ชชณ จะตายนี้ใจจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่ว่าใจจะปล่อยหรือไม่ปล่อยถ้าปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่ถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเป็นเหมือนของเรายืมเข้ามาพอเจ้าของเข้ามาขอคืนเราก็คืนเข้าไปพอเราปล่อยคืนเข้าไปเราก็ไม่ไม่ทุกข์กับการสูญเสียแต่ถ้าเราไม่ยอมคืนเราหวงเราคิดว่าเป็นของเราไม่ต้องการให้จากเราไป ใจเราก็จะทุกข์ใจเราก็จะทรมาแต่พอรู้แล้วว่าถึงเวลาต้องต้องคืนเข้าไปคืนดินน้ำลมไฟไปร่างกายนี้ทํามาจากดินน้ำลมไฟและมันจะต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเวลานั้นเราก็ทําใจเฉยๆใช้พุโทโธพุโทโธไปให้มันไม่ไปต่อต้านไม่ให้ไปอยากไปหัวงไปยึดไปติดถ้าเรามีพุโทโธทําใจให้นิ่งให้เฉยให้ปล่อยวางได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กลับมา มีใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้นะเพราะมักจะมาถามตอนที่เลิกตอนที่ให้ถามตอนนี้ไม่ยอมถามกันไม่เป็นไรใครเขาจะว่าอะไรก็เรื่องของเขาเราต้องการความรู้ไม่ต้องอายเราไม่รู้อะไรเราสงสัยอะไรก็ถามได้หรือถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้ขอความเข้ามาใหเขาอ่านให้ก็ได้มีคําถามเข้ามาแล้วเหรอ คำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะมีคนรู้จักกันที่ไม่ใช่ญาติชอบทำบุญแต่เวลาเดือดร้อนมายืมเงินเราหลายครั้งไม่ยอมใช้นี่แต่ก็ยังแต่ก็ยังไปทำบุญเรื่อยเราเห็นแล้วต้องวางใจได้อย่างไรคะก็อย่าแปงก็ยืมเือนต่อไปบางคนชอบทำบุญแต่ก็ชอบมีนี่ มันก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปทำบุญก็ได้บุญการมีหนี้ก็เป็นเหมือนการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีเงินทำบุญก็อย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาทำบุญจะดีกว่ามาทำอย่างที่เราอย่างอื่นก็ได้บุญมีหลายวิธีด้วยกันเป็นจิตอาสาก็ได้มาวัาเห็นว่าห้องน้ำไม่สะอาดก็มาช่วยกันทำความสะอาดห้องน้าก็ได้อย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันเออเวลา กินอาหารโน ก, กันเสร็จแล้วมีมีจานมีชามเยอะแยะไปหมดไม่มีคนล้างเราก็มาล้างกันก็ได้อันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกับการที่เราเอาเอาเงินไปจ้างคนมาล้างจานให้กับเราแทนที่เราต้องใช้เงินไปจ้างของมาเราก็จ้างตัวเราเองเลยเราก็มาล้างล้างชามล้างอะไรได้ทําคุณทําประโยชน์ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินมีทองเราจะได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน ถามจากทาง Facebook ค่ะจิตสั่งให้เดินไปมาหยุดแล้วจะหงุดหงิดครับทําอย่างไรได้บ้างครับต้องทําจิตให้นิ่งแล้วเขจะหายหงุดหงิดจิตแล้ไม่ยามอยู่เฉยๆจิตอยากจะไปนู้นอยากจะมานี้มาตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นไปตรงนู้นก็อยากจะมาตรงนี้เพราะจิตไม่นิ่งจิตมีความคิดความอยากมากเราต้องใช้สติ ค, คอยกํากับคอยควบคุมความคิดความอยากให้มันให้มันน้อยลงไป ถ้ามันไม่คิดมันไม่อยากมันก็จะอยู่เฉยๆได้อย่างที่เรามาฝึกสมาธิเมื่อกี้นี้เราก็พยายามฝึกให้มันนั่งอยู่เฉยๆให้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆให้มันมีความสุขได้จากการอยู่เฉยๆจิตไม่เคยอยู่เฉยๆมันก็เลยดิ้นแต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมให้มันอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานแล้วมันก็จะไม่ดิ้นมันก็จะอยู่เฉยๆได้นั่นอยู่ยังมีความสุข คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะช่วงนี้จิตใจหนูกแกว่งกับเรื่องการเมืองมากแสดงว่ายังปฏิบัติไม่พอใช่ไหมคะก็แน่นอนอะ่ะถ้าไม่ยุ่งกับการเมืองก็ไม่ได้ปฏิบัติคำถามจากทาง Facebook ค่ะต้องเตรียมใจอย่างไรคะให้พร้อมรับกับการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักทำใจให้นิ่ง อยู่เฉยๆเวลาเขาไปก็ทําใจเฉยๆแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการไปของเขาถ้าเราไม่ฝึกทําใจให้นิ่งให้สงบเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปบุคคลที่เรารักไปจะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆใจเราก็จะนิ่งเจ้าปล่อยวางได้เพราะเราก็รู้ว่าไปเศร้าโศกเสียใจมันก็ไม่ได้ทําให้เปลี่ยนแปลงอะไรคนที่ตายก็ต้องตายอยู่ดี เขาไม่ฟื้นกลับมาจากการที่เราไม่เศร้าโศกเสียใจแต่ที่เราทําให้ใจเรานิ่งเพื่อไม่ให้เราเศร้าโศกเสียใจเพื่อรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์เท่านั้นเองแต่เราไปเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้ความจริงคือความตายเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครไปไปเปลี่ยนมันได้ต้องยอมรับเพียงอย่างเดียวถ้ารับแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะความตระหนี่ถือเป็นกิเลสหรือเป็นอุปสรรคของการเจริญทานศีลภาวนาไหมคะเป็นมันเป็นความโลภหรือเป็นความยึดติดกับทรัพสมบัติเจ้าของเงินทองอย่างรักยังหวงอยู่อันนี้ก็เป็นกิเลสคือความรักฉะนั้นต้องตัดความรักด้วยการพิจารณาว่ามันเป็นของชั่วคราวเท่าของเงินทอง เดี๋ยวตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเราเอาไปทําบุญทําทานเราสามารถเอาบุญเอาทานที่เราทํานี้ติดไปกับใจของเราได้จะพาให้เราไปสวรรค์ไปสู่สุคติต่อไปคําถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะหนูควรจะทําอย่างไรดีคะเพื่อจะละบาปอกุศลในจิตใจ้าค้าต้องมีฮริโอตปะฮิริโอความละอาย คนเราเวลาทําอะไรไม่ดีเรามักจะอายหรือเวลาเราหน้าตาเราไม่สวยเราก็จะอายก่อนเราจะออกจากบ้านนี้เราต้องคอยสังเกตดูหน้าตารูปร่างการแต่งตัวของเราการว่าเรียบร้อยไหมสะอาดไหมหน่าดูหน้าชมไหม mm hmm. เหมือนกันศีลก็เป็นเหมือนความสวยงามของใจ mm hmm. คนเราจะสวยจะงามก็อยู่ที่มีการมีศีลและไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีล น, นี่จะเป็นคนหน้าดังเกลียดไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย เป็นให้เราละอายบาป mm hmm. เพราะเราเห็นว่าการมีบาปนี้ทําให้เราไม่สวยไม่งามเป็นคนไม่น่ารักไม่น่าชม mm hmm. ให้มีความอายในบาปแล้วก็ให้มีความกลัวโอดตปะความกลัวคือกลัวผลของบาปที่จะตามมาทําบาปแล้วใจเราจะทุกข์จะร้อนจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะจะวุ่นวายจะเครียดจะวิตกจะกังวลและเวลาต้องรับโทษของการทําบาปก็จะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆอีก เพราะฉะนั้นให้เรามีฮิเลโอตปะให้มีความอายถ้าเราอยากจะเป็นคนดีคนน่าดูน่าชมน่ารักเราก็ต้องไม่กล้าทํำบาปกลัวกับไม่อยากจะทํำบาปเพราะเร า, าละอายเพราะถ้าเราทํำบาปแล้วเราจะไม่สวยไม่งามนั่นเอง <Yeah. S 1> แล้วก็ให้คิดถึงผลบาปที่จะตามมาต่อไปคําถามจากผู้รับฟังนาะคุติค่ะ ตอนนั่งสมาธิแล้วมีสภาวะเหมือนมีช่องลงไปเหมือนตีขึ้นบางคราวเหมือนลมหายใจจะไม่มีและมีอาการเหมือนขาดอากาศหายใจลูกต้องทําอย่างไรเจ้าคะ่ะรู้เฉยๆไปรู้รู้ตามอาการไปมันจะเป็นยังไงก็รู้ไปเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวมันก็หายไป ข้อที่สองค่ะเวลาทางานจิตออกไปยุ่งกับงานทางโลกมากพอมีเวลาว่างกลับมานั่งสมาธิรู้สึกเหนื่อยมากกว่าจะดึงจิตกลับมามีวิธีอย่างไรในการเดินทางคู่ขนานโลกและธรรมคะก็ต้องทำให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นวันหยุดวันทางานก็ไปเปรียกวิเวกไปปฏิบัติธรรตา ม, า ม, ามสานักปฏิบัติต่างๆทำให้บ่อยทำให้มากขึ้น แล้วแรงของธรรมก็จะมีมากขึ้นแรงของกิเลสก็จะมีน้อยลงแล้วการปฏิบัติธรรมก็จะง่ายขึ้นสบายขึ้นคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะมีวัตถุมงคลของเกจิอาจารย์ที่มีราคาพอประมาณต้องการถวายให้พระปล่อยเช่าเพื่อที่จะเอาปัจจัยไปสร้างเจดียเราจะได้บุญไหมคะถ้าเอาเงินไปสร้างเจดียก็ได้บุญ คำถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะการภาวนาพุโทโธในลมหายใจสุดท้ายทิ้งกายหยาบแล้วจิตจะไปอยู่ที่ไหนคะไปตามบุญตามบาปถ้าบาปมากกว่า บ, บุญก็ไปอบายถ้าบุญมากกว่า บ, บาปก็ไปสวรรค์คำถามจากทาง facebook ค่ะเป็นหนี้แต่หมดอายุความแล้วจะบาปไหมครับถ้าไม่ต้องจ่ายหนี้ถ้าหมดอายุความก็หมดหนี้ คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระอรหันต์เป็นสภาวะที่เหนือไตร ล, ลักษณ์ตลอดเวลาในขณะที่โลกกระแเสื่อมแตกสลายไปและเป็นชนีตลอดใช่หรือไม่ขอรับไหนลองอ่านไว้สิตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกถึงพระองค์ปัจจุบันและพระอรหรันต์ เป็นสภาวะที่เหนือไตรลักษ์ตลอดเวลาในขณะที่โลกาธาตุเสื่อมแตกสลายไปและเป็นชนนี้ตลอดใช่หรือไม่ขอรับคือจิตของท่านไม่ไปยึดกับโลกที่เป็นไตรลักษณ์เท่านี้ต่างไฟต่างอยู่กันไตรลักษณ์จึงเป็นเหมือนกองไฟคนจะลาก็ไม่ไปเข้าไปในกองไฟนั่งอยู่นอกกองไฟสบายกว่าเย็นสบายคําถามต่อเนื่องจากท่านที่แล้วนะคะ เป็นสภาวะที่แสดงตลอดเวลาเราต้องปรบับจูนสภาวะจิตเราต้องปรับจูนสภาวะจิตเราให้เข้าถึงสภาวะนี้ด้วยอริยสัจสี่เป็นแผนที่ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับก็เป็นวิธีการดึงใจให้ออกจากการไปตกอยู่ในกองทุกข์แห่งตายรักนั่นเองถามจากทางฟค่ะ ภาระของจิตหมายความว่าอย่างไรคะงานของจิตอันนี้จิตมีทุกงานของจิตก็คือปลอดเพิ่มความทุกข์ให้หมดไปจากใจวิธีจะปลดเพื่อได้ก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติทานศีลภาวนานี่คือภาระของจิตงานของจิตถ้าเราอยากจะให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่างนี้พอได้แล้ ยังไม่มีคำถามใดถามลลังเท่าไหร่กาลังถามเองอะไรก็ได้ค่ะกลับเรียนพระอาจารย์ค่ะเพื่อนคุยกล้ๆลังค่ะก ล, ก ล, กลกับเรียนพระอาจารย์ค่ะเพื่อนฝากถามมาค่ะถามว่าพอนั่งสมาธิแล้วมีสติรู้เห็นอาการของขันมีสติรู้เห็นอาการของขันห้าระหว่างวันพอมีสติรู้เกิดขึ้นอาการของขันห้าก็ดับไป มีการถอยออกจากขันห้าเราต้องทำอย่างไรต่อเจ้าคะหรือว่าแค่อยู่ตรงรู้ที่มีสติไปเรื่อยๆค่ะรู้เฉยๆรู้ว่าเขาเกิดก็ดับไปไม่ต้องมปยึดไปติดอย่าไปยากให้เขาไม่ดับเวลาเขาดับเวลาเขาเกิดอย่าไปยากให้เขาไม่เกิดพอจะเกิดก็ปล่อยเขาเกิดไปเขาดับก็ปล่อยให้เขาดับไปแต่ขอบพระคุณค่ะ หมได้ยังมีเข้ามาอีกคำถามค่ะคาถามค่อนข้างยาวนะครับเหมือนเหมือนจะเล่าให้ฟังจ ะ, จะลองอ่านดูนะคะคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะแม่หนูรายได้เยอะใช้เงินเยอะคู่ธนาคารแต่อารมณ์ร้ายชอบหน่าว่าลูกรับบริวารหนูหาเงินได้ หนูใช้เงินของตัวเองเพื่อซื้อของที่จำเป็นข อ, ขออนุ ญ, ญาตให้เขาพิมพ์มาใหม่ได้ไหมคะไปเ อ, เ, อเอาแค่นี้ก่อนก็การสอนนวันนี้ไว้โอกาสหน้าค่อยส่งเข้ามาใหม่ก็ขอให้ท่านตรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ